พนาปฏิวนันภพิกุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. น 1. พิกษณุีเรียนวิชาเขียนหนังสือ 2. ภพิกุณีเรียนท่องจำา 3. พิกุณีเรียนพระปริศเพื่อคุ้มครองตน 4. ภพิกุณีวิกลจริต 5. ภพิกุณีต้นบัญญัตสิกขาบทที่เก้าจบ